ลูกหลานของท่านก็เข้ามาสู่วัดวาศาสนาจะหมายเมื่อน้ําท่วมกรุงกรุงเทพปีห้าสเราก็ไปตั้งโรงทานอยู่นี่แหะอยู่กับกลุ่มลูกหลานเหล่านี้แหะที่หวังน้ําเปรี่ยวอาศัยข้าวข้าวเสียต่มข้าวเสียเช็ดจากนั้นเลี้ยงคนกรุงเทพเราก็ให้การสนับสนุนเรื่องอาโหงอาหาร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 ขัก <ค snel S 1> ดกคงจะรู้แก่ใจของท่านนะโอ้ข่าวนี้คงไม่ไม่รอดแนะ่อคงไม่รอดแน่ข่าวนี่นี่แหละท่านก็คงจะภาวนาของท่านของเตี๋ยนี่ยหละลูกพวกเราทุกคนนะสทาญาติโยมลูกหลานอถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะถึงจุดจบอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนั่นล่ะ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 อไปยุยงปองปอยกจอปอปั้นเข้าไปใจตรงนะั้นไปทางกิเลสโทสะขึ้นมาหนะผลในสุดกิเลสโมหาเข้าไปอยู่ในหัวใจได้คิดว่าไปกอมเกาหัวใจนั้นให้ลุ่มหลงมัวเมาเว่าตัวเองจะไม่แต่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะเป็นใหญ่ในทุกหัวไหลแห่งอมีแต่โลภอย่างเดียวมีแต่โกรธอย่างเดียวมีแต่หลงอย่างเดียว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 เป็นลูกมือให้เขาจนเขาตำรวจจะไล่จับหัวสุกหัวศูลวิ่งหนีเน่โทษโทษททตายกูมาเป็นลูกน้องเขามาเป็นลูกมือเป็นกระโลของเขาเป็นผู้รับใช้ของเขาตายตายตายกูนีมันขนาดนี้เหรอจนสำนึกได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นไหละถึงจะกลับตัวกลับใจได้ท่านี่ไม่ทำอีกแล้วจะไม่เป็นลูกน้องของ